พวกเราตั้งตัวได้มีชีวิตอยู่ได้าตามปกติเจ็ดอะไรป่วยบ้างไม่มากพอช่วยเหลือแก้ไขไปเพราะเป็นครื่องปกติธรรมดาแต่ที่สำคัญที่สุดเราจะต้องอยู่ด้วยประโยชน์มันจะอยู่เพื่อโทษ ต้องอยู่ด้วยประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอุตยานั้นแสดงประโยชน์ไว้ประโย์ในโลกนี้ประโยชน์ในโอกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งปรมาิตย์ประโยชน์ที่ทำมิกระถะประโยชน์ ประโยชน์ในโลกนี้หรือประโยชน์ในโลกปัจจุบันเนี่ยมีนักปราชญ์ถ้าเรามาปลูกเป็นคาถาเศียทีท่านว่านะปลูกอากาศสัตว์ปลอากาศสัตหวหัวใจเศียทีหนึ่งบุตรฐานสัมพันธะสองตารักขสัมัคา สามกัยานิมิตตาสสมชีตตาอ น, นิลัท่านพูดหลังเอาไว้นะคือเราพูดธรรมะของที่เราทิ้งหลังเนี่ยมือก็จับจับไม่ได้เหมือนกันพูดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตอนที่ทยอยหลังมามจับหลงได้ประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในโลกนี้ทิฏฐธรรมนี้กับถักประโยชน์เนีอุอาตสาาัต นักปราชญ์เรียกว่าหัวใจเศตษีหนึ่งอุทฐานสัมปทาขยันขยันหาเจ้าประโยชน์ในพวกนี้เนี่ท่านพูดถึงสำอุทฐานสัมปทานอุทฐานาั้นสามปทา น, าานาแปลว่าการลุกขึ้นอหมายถึงความขยันขยันหาเร้าคำว่าทร้าพวกเราทั้งหลายเข้าใจไหมน้ำมหาทองหายุภาเกียรติ สิ่หาของหาอะไรทุกอย่างมาเพื่อเป็นของใช้สอนท่าเป็นบจา้ารับสมบัตินั่นแหละทัพยภายนอกทัพย์ภายในและระย้าทรัพยที่เป็นเรื่องของความรู้การศึกษาความ ร, ามรู้ออกเป็นเหตุให้ได้มาชื่นเศรต้องใช้ความขยันความขยันที่ดูเห็นเห็นประโยชน์เห็นคุณําประโยชน์ถึงมีความขยัน มีความบุษามาีเกียจมาขี้คลานอุตางสมุทาอาศัยความข ย, ยันนี่แหลตั้งตัวได้ถ้าอาศัยความขี้เกียจตั้งตัวไม่ได้อับจนตกต่ำสวงหาทรัพย์ก็ไม่ทันเขาสวยหาความฉลาดวิชาความรุกอย่างก็ไมทันเขาริยาการทุกสีทุกอย่างไม่ทันเขาถ้าอาศัยความขี้เกียจ ต้องอุทนานสัมปทานมันขยันมันขยันอารั์สัมปทาเมื่อสเสร็จทรัพย์หาทรัพย์มาได้แล้วก็ได้รักษาอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาอุทนานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักษพระสัมปทาถึงพร้อมด้วย การเก็บรักษามดูได้มาแล้วไม่เก็บไม่รักษาทรัพย์สมบัติหลนั้นเ้าไม่อยู่ได้มาห้าใช้ไปสิบนี้มันจะมีอะไรเหลือมันไม่มีอะไรเหลือรากษาวกฒนธรรมต้องให้มีส่วนอเหลือก า, ารสมเด็จค้าทรับท่านบอกว่าต้องมีส่วนต้องมีส่วนเหลือไม่งั้นเวลาเราเก็บไข้ใดป่วยไม่มีอะไรใช้สอย มุสเวนท์าร์ดมาด้วยความข ย, นยันแล้วให้รู้จักเก็บรู้จักรัสสกษาเสร็แล้วก็กัลยาณมิตรตาต้องคอบมิรรตร ท, ที่ดีงามกัลยาณมิตรตาถึงคบมิตรที่ดีมิมตรที่ดีงามมิตรคือเพื่อนร่วม ง, งานผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับการกับ ง, งานเรียกว่ามิตร มิททำงานด้วยกันมิตรอยู่ต่างแดนหรือคนรู้จักรครัใกล้ในจริิสัยกันครับถูกเป็นมิตรกันมิตททำงานมิตรค้าขายมิรเรียนหนังสือมิรวิชาการมิตรอะไรสาราพัดนะครบมิตรที่ดีเพราะมิตรที่ดีเนี่ยบอกทางดีให้บอกทางส อ, อนให้และประโยชน์ให้ให้ความฉลาด ให้เราได้ข้อคิดได้สปีดไปปัญญาได้วไดวความรู้ได้ความฉลาดอยของมิธที่ดีคําว่าวิธีดีในที่นี้เราเอาอะไรเป็นจีิงเาว่ามิตรที่ดีในที่นี้เราต้องเอามิตรที่เป็นธรรมเป็นจีิคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมพาเราไปเป็นนักเลงผานัาปปนพาเราไปเป็นนักเลงการการผานันพาเราไปเป็นไปเป็นนักเลงผู้หญิง นักเลงเที่ยวกลางคืน น, นั่งเลงดื่มชุราเนีทีเหล่านั้นก็จะเป็นเรื่องราชาชราเท่นั้นนั่งเลงผก้หญิงมีอาไรไม่เหลือเลยราชาถามว่ า, าวทำไมพวกนี้ผู้หญิงจะได้ใจ ช, ชอบป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปมีอะไรไม่ไม่มีเหลือเลยอมมีเหลือซ้ำมือนั่งเ ล, ลงผูง้ินั่งเลงกายพันนั้น การพนั้นก็ไม่เหลือยิ่งร้ายกาจมากกว่านั้นไปเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียกระทั่งหมรดเสียไม่กระทั่งที่ดินที่บ้านที่เงินที่ที่ที่เราได้ไม่มาจากมาเท่ากันเสียหมดเสียเยอเสียเกียรติเสียอะไรสกปรการพนันคนเล่นเพินจะประมาณเล่นจตนิดลองแน ง, ง, งบางีได้แล้วก็ไม่รู้จะเต่า แล้วเดินว no ันนู้นวันตัวเราจะชมยังไงไม่ชมคือพระพุทธเจ้าท่านทรงทางนิรันดร์ขึ้นการท่านั้นเป็นนักเลงกลางเท่านนเป็นนักเลที่ยวก้างคืนเที่ยวกลางคืนก็ไปท้ายไปเกี่ยวกับเน่าไปเกี่ยวกับสุรานารีนะแล้วก็เป็นนักเลงสุรานักเลงสุราสุราเป็นยาเสพติดกินไปแล้วเมื่อกี้ร่างกายเมืกี ติดแอลกอฮอล์ด้วยเหุที่จิตใจหวั่นแหวนตกอยู่ในอำนาจของกายก็ถูกกายครอบเมื่อถูกกายครอบเมื่อหิวขึ้นมาก็หายหิวขึ้นมาหายมาหิวขึ้นมาหายเวลาใส่เข้าไปในโลกนี้เป็นของเราสนุกลืมเป็นลืมตายแต่ที่งิดตามมาคือเสียทรัพย์เกิดโรคก่ อ, ก, อการทะลาวิวาทไม่มีใครประสงค์จก จะร่วมงานด้วยเกิดโรคนี้แน่นอนกินเ่ล้าที่เห็นชัดๆก็คือเสียสัะและสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บำ ร, รุงร่างกายเหมือนอาหารเหล้าอี่ท่านเรียกว่าอาหารอาหารจะ็สิ่งที่จาเป็นกับร่างกายมีธาตุมีโปรตีนมีอะไรเหล้าที่เราพอจะชมหน่อยก็มี ประเภทใช้เมันใช้ทำปัญญาทำทำปัญญรักษาโรคบางอย่างใด้ปัญญถูปัญญาทาปัญญาดองยาอะไรถึงอย่างนั้นขาไปเหตุตัณห์ให้พุทธเจ้าทาทรงตัณห์ถึงจะมีคุณสมบัติขนาดนั้นก็ได้เคยท่านจีนูมาศกคนหนึ่งปุณะอุปัชฌายา กูมาสบพื้นๆมั่นเขาก็พูดวะต่อให้เขาใกล้จะตายใกล้ตอนนีต้ตอนนี้เป็นโรคร้ายแรงใกล้จะตายขนาดไหนกต่างก็บอกว่าต่อให้มีคนเอายามากรอบบอกว่ากลอกเข้าไปพื้นไปน้ืดเดียวแล้วหายทันทีแต่ยานั้นจําเป็นต้องเข้าเล่าเท่านั้นเขายอมตายดีกว่าเนี่ยจิตใจว่าคนระดับนี้เราเห็นว่า เราจะว่าจิตใจเขาของเขานี่มั่นคงกับศีลกับธรรมเห็นคุณเห็นโทษขนาดไหนคนบ้านหลังคนบ้านเก่าเนี่ยแต่เป็นคนกษาศีลเป็นคนปฏิบัติธรรมยอมตายดีกวา่าที่จะไปกินยาที่ผสมในเหล้ากอกเข้าปากเป็นนักเรียนไม่มีอะไรเหลือเพราฉะนั้นการที่เราคบมิตรันาจะต้องคบด้วยที่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม เป็นผู้ชี้ทางที่ดีแนะนไประโยชน์ให้กับเราได้บอกทางสวรรค์ให้กับเราได้ช่วยแก้ไขปัญหาเราได้เป็นเพื่อนร่วมคิดร่วม ส, มสร้างสรรค์ร่วมแก้ปัญห า, าแก่กันทกการได้เป็นกังยานี้มิแบบนี้ช่วยเราได้รับความรู้ช่วยให้เราได้ช่องทางหาทรัพย์สมบัติได้ช่วยให้เราไประหยัดช่วยให้เรามีสติปัญญาบอก บอกเหตุให be ่ความเสื่มเสียกับเราเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรวิตที่ดีงามมิตีดีงามข้อสี่สัมมชีวิตาสัมมชีวิตาคือเราอยู่เราต้องอยู are ่ด้วยซเลี้ยงชีวิตอย่างสมองสมุนสัมมชีวิตาเลี้ยงชีวิตอย่างพอดีพองามอย่างสมองเสมอพอดีของามไม่ให้ พื้นเคืองเกินไปไม่ให้พู้เพืจะเกินไปใช้พอดีพอใช้อย่างสม่ำเสมอให้อย่างพอิีพดีทรัพย์สบัติเราหามาด้วยอย่างดีอะไรมาถ้าเราไม่รู้จักใช้จับซอยไม่รู้จักใช้อย่างพอดีพอดีไม่มีส่วนหรือครมีได้ส่วนมีแต่ส่วนขาดมีแต่ส่วนติดล็อกนี่ยมันก็คือกิดครับคือหาไม่ควรใช้คือคราวเราเก็บแค่ได้ป่วยวันสองวันเนี่ย ไม่มีอะไรจะใช้แล้วก็ต้องอยืมเขาห น, นักๆเขายืมจนเป็น น, น, นิสัยยืมจนติดนิสัยหนักๆเข้าหายช่องติดช่องเปี้ยวเพื่อที่จะเพื่อเพื่อที่จะไม่คืนเขาเป็นการส้างนิสัยที่ไม่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นท an ่านได้รจัจับใจใช้สวดซับใช้อยา่างพอดีพอดีบางคนมีซับมากมายแต่ไม่ใช้ซับนั้นให้เกิดประโยชน์ ใช่อย่างฟุ่มเฟืยเหมือนอย่างที่ก็ว่าเศรษฐีนะ่ะเศรษฐีเคยทำไหมไอ้เศรษฐีน่นะพ่อของพ่อของพ่อของอะไรน่ะลืมชื่อได้ไหม พีเรือพ่อออกมาทำพลเรีอเป็นเสียทีแต่ทีเป็นอีที เ, ทเลี้ยวมากอพออยู่มาลกูกลูกยังเป็นหนุ่มป่วยป่วยก็ไม่อยากรักษาไม่อยารักษาที่ได้ทิงข้างนอกลูกป่วยนอนอข้างนอกกลัว ค, คนจะเห็นกลัว ค, คนจะมาเยี่ยวก็เลยให้ลูกเข้าไปข้างในอยู่ข้างในบ้าน หยุ่ยาอะไรก็ไม่หามาให้ลูกนื่นองจว่ากลัหมดกลัวหมดกลัวสิ้นเื่องบีดต์ทะเลถ้าให้เกิดเศรษีนะแค่เงินจะมาดูแลรักษาลูกก็ไม่อามาดูแลรับมามัตคุณทะเลนะมัตตคุณทะลนี่เป็นชื่อของตุ้มหูก็ตุ้มหูตุ้มหูเนี่ยเคงดับแหละแทนที่จะไปหาของบดตีราคามากมาย ก, ไาาก็ไปหามาเลยไปหาทองกองเกรี้ยงมาทําพอเป็นตุ้มหูมามาให้ลูกไต่ใช้นีมั น, น, น, ต น, นต้องคนที่อีกได้ว่าตุ้มหูนายตุ้มหูเกลี้ยงลูกอขป่วยได้โรคอะไรลูกผอมแห้งรักษาทีาไ่ไหไม่คือไม่รักษาบางทีอยากรักษาลูกก็แทนที่จะไปหาซื้ออย่างทาไมคนะไม่ไม่ซื้อเลยไปถามเขาเออลูกขอมอย่างนี้อไม่มีแรงนี้ไม่มีกําลังนี้ เารักษาดปวยอะไรเขาก็บอกบอกว่าตนนั้นต้นนั้นต้นนั้นไปหามาแล้วมาต้องไปหามาต้องให้กินไปหามาถูมาทาไปหามาอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นเห็นว่าต้องใช้สอยซับแล้วเป็นอันว่าไม่ใช้สอยแลแ้วตมีถีเหลื้อมีพระเรียกว่าไม่รู้จักจับอย่าใช้สอยซับเพื่อระยชน์ใช้สอยอย่างพื้นเครืงกินก็ต้องกินอย่างพื้นเครื่อง ถ้าก็มีอีกเศรษฐีคนหนึงเศรษนี้ขนมเบื้องแหละเคยได้ยินไหมขนมเบือ้องด้วยแค่หิวขนมเบื้องอะไรไม่กล้าบอกเมียทอนอยู่จนจนร่างกายสู้ผอมเมียสงสัยก็เลยถามอทําไมร่างกายสู้ผอมลงทุกวั น, นไม่กล้าบอกพอมียถามนักนักเข้าอะไรบอกบอกว่าหิวขนมเบือ้องกลางนั้นนะครับ อยู่กับหนุ่มเมื่อไม่กล้าหา먹กินเศษเีแล้น่ะไม่กลหามากินทีนี้เลยเมียเราเลย้ยใจไปอย่างไรเยษผีทรัพย์สมบัติเราไม่มไม่อยาเมียพยายามไล่จะพูดแรงจะพูดกันเดี๋ยวก็จะมาแย่งมาแย่งมาหิวมากินด้วยกับเราเนี่ยอ่มันไม่ยากไม่ยากทรัพย์สมบัติเรามากไหมใช่ทำกินเราทากินด้วยการแจกลอกเรารูกไม่ต้องกิน มึงก็ไม่ตอบกลิ่นมึงไม่รู้กูรูตัวจะสิ้นเอือนนี่จะเสียที่ขนมเบื้อเนี่ยในในทุนเบี้ยองเลยตามใจตามใจจะจะทําในที่คนเดินไปเดินมาเห็นก็ไม่ทำแน่โรคราจะมาแย่งโรคราจะมาขอเขาจะอะไรมันสิ้นเดือนรู้ไหมทํางเนประสาทชันเกียนติลุไปทํำขนมเบื้อสองคนโบเบียไม้ไผ่ไปด้วยกลุ่มคนอ่นจะแย่งกินทีนี้ไปทําแน่ ไปทำคนอุ้มเบิกอยู่ชั้นเกียรภาษาชั้นเกียรตน่อืภาษาชั้นเกียรตเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นเนียเล็งเ็นอุปนิสัยท่านก็เลยให้พระโมฆลานมาทรมานนี่ไงนั่งทออารมอยู่เสาคอนโดเมียนภาษาชั้นเกียรตไปอขึ้น้ปิดประตูเสร็จเรียบร้อยไปอาขึ้นไปแต่เปิดหน้าต่างไม่ไดพระโมฆลน้นครับไปฉกไปยืนหน้าต่าง โอ้ยยังมีสมรมะนัขึ้นมาได้ยังมีธรรมะขึ้นมาได้ดีถ้ามาธรรมะธรรมะนัเอ้าม า, าททมเป็นตลาดขนมเพื่อเลยไม่ให้เดีวไม่ให้ธรรมว่าโอ๊ยอกินคนเดียวไม่มีความสุขหรอกหมอหนะ้านะักท่านทร ม, มาเนี่ย ท, ท่านพูดไปพูดมาทนพูดธรรมะเนี่ยเกิใจอ่อนเอาไปขึ้นยิบหน่อย ไปให้ใหหมายมืงนี main, one, right ่เราจะบิบิไปไปถวายพระมาชทั้งหมายมือเนี่ยยงไงก็เปดึไงึงไม่ออกนยัไก็ึงไม่ขาดแยกกันไปแยกกันหาแยกนไปงสองดถั่วม่อดึงเพื่อที่จะแยกขนมไปใส่ไปให้พระโมฆราชไล่ไปก็เลยเหนื่อยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไร้ท้าจิงยงไม่ได้กินหลยแยกขนมาจเหนื่ยยังไม่ได้กินเลย นี่พรนะโอกขารนักขัตเท่เท่จนเกิดความเาาาาดือดส่ศรัทธาแล้วท่านร็ บ, บอกบอกว่าตอนนี้พระศาสดากับพระสงฆ์เนี่ยกําลังรอรอฉันขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชียดอร่อยตรงนั้นนะกำลัราชั้นขนมเบือ่องตอนนี้มีความเดือดใสยแต่เพราะพระโมกขานัสอนเนี่ยก็ไ่เอาขนมเบื้องนั้นไปถวายขนมเบื่องนิดหน่อยนะไปถวายคราบหมดทังหวฉันไม่หมด ยิ่งแบ่งไปเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มข้มาแบ่งเท่าไรยิ่งเพิ่มขึมาแบ่งอะไรยิ่งเิ่มข้มาจนได้เหลือไปเท่าทิ่เขาเขารียกว่าน่ามุนเบื่องท่าเบืองอยู่แถวเชียวันะมันมีประวัติแนดคือคนตัดีคนตนดีมีพ้ำแล้วไม่ใช้ซเกิดประโยชน์มีซ้ำแล้วใช้ซ้ำไม่ใช้ซ้ำเกิดประโยชน์เขาเรียกว่า ไม่ใช่สมัยไม่ใช่ไม่ใช่สมัยชีวิตตาถ้าเป็นชีวิตตายเลี้ยงชีวิตอย่างสม่ำเสมออย่างพอดีพองหมาไม่ให้ฟุ้งเฟือยไม่ให้พุ่มเฟือฟ่อยพุ่มเฟื่อยเกินไปก็คือทิ้งเปล่าคำว่าพุ้มพุ่มเฟือยเราเข้าใจง่ายงายคือทิ้งเปล่าใช้ทิ้งทิ้งคว่ำใช้ใช้อย่างทิ้งเปล่าใช้อย่างฟุ้งเฟือยก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะชับมันสําหรับเนี้ยงหลักสภาพร่างกายต้องใช้ให้คุ้มค่าใช้พอดีพอเหมาะ เพราะฉะนั้นดูสการได้การใช้สอยเช้าทำให้แบ่งแยกเป็นสามส่วนหรือสี่ส่วนเนี่ยแยกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเลี้ยงขี่คือส่วนหนึ่งเสือาหารม า, มากินเพราะอัตภาพ ร, ร่างกายต้องการอาหารซื้อเครื่องนุ่มผมใช้สอยส่วนหนึ่งสำหรับใช้สอยสำหรับปัจจัยสี่ จัจ่ายใช้สอยในการแสวงหาปัจรใจสี่ในการหาปัจรใจสี่มาใช้สอยส่วนหนึ่งลงทุนลงทุนเพื่อได้ได้กาไรเพิ่มผลขึ้มนมาอีกเนี่ยทราบที่เรามีแล้วหนึ่งใช้สอยเกิปดประโยชน์สองสลับส่วนนสลับลงทุนอสนับลงทุนสามหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วน เลี้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาบา่าวไพรให้เป็นสุขสีส่ฝังไว้ฝังไว้ฝังไว้ในพระศาสนาคือฝังเอาไว้คำว่าฝังเอาไวในที่นี้ก็คือเก็บเข้าธนาคารไว้คือทำบุญที่จะเรียกว่าบุญนิทิบุญนิทิการสมทรัเอาไว้ที่เรียกว่าบุญถ้าให้จะได้แบ่งครับ ถ้าใครมีทรัพย no, Sh so ์มากๆแล้วแบ่งใช้สวยสามส่วนสี Sole ่ส่วนแบบที่พระพุทธเจ้าท่านส่งให้นาจะเกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์เน้นต้องใช้ต้องสอยใช้สอยอย่างพอดีไให้มันถืดเฟื่องก็ต้องให้มันฟุ้มเฟือยสองอีกส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนเพื่ออะไรกำไรหอเปามาเพิ่มมาเติมไปเรื่อยๆสามเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหมูเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงบุตรภรรยาเ่าไถให้เป็นสุข สัก4ทำบุญทำบุญเพราะว่าการทำบุญนั้นเป็นการเอาทรัพย์นั้นมาเป็นเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาเป็นอริัยสมบัติมาเป็นมาเป็นอาลัยอริยทรัพย์เอาทรัพย์ทำอมดรมาเป็นอริยทรัพย์เป็นสักดิบติตัวเป็นสักดิบไปอวชกินคือการคือการแบ่งเจืจานแบ่งทำบุญนี่คือการใช้สยทรัพย์อย่างถูกต้อง อันนี้คือการสอนการสอนประโยชน์ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแสวงหาประโยชน์ในปัจจุบันนี้เราก็เดินตามหลักดี้นะไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ยากไมจนได้รับมาแล้ได้ใช้สออย่างอย่า ง, า ง, งมีขอบมีเขตมีมีหลักมีเกณฑ์มีจิตข่านมีจำกัดอันนี้คือประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันที่เราแสวงหาการอูทุกวันนี้เราแสวงหาประยชน์อะไรประโยชน์ในปัจจุบัน คือเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้จะต้องสบายภาพจติตใจสี่มาใช้มาซ้อยเมื่อเมื่อมีทรัพย์มากๆสําหรับจับใจใช้สรอยอย่างหนึ่งเท่าที่จําเป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงทุนส่วนหนึ่งก็เลี้ยงบุพกรารีเลี้ยงพ่ อ, อเลงแม่เลี้ยงบุตรภรรยาบา่าวภรร ย, ยาากนิดให้กด้สุขแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทําบุญทําบุญแก่สมณพราหม สมณพรามณ์คือคนมีสิทสมัยพุทธกาลไม่มีสมณสมัยสมัยพุทธกาลก็มีสมณักันบวชศาสนารือนเขาก็เรียกสมณังกันเช่นอย่างเช่นอย่างพวกชีเปลือยเขาเรียกสมณังกันนะคือทรรมบุญขับผู้ผู้มีสินธิ์ธรรมบุญผู้มีสิทคือว่าเป็นการฟังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นการฟังฝังไว้เพื่อเพื่อปรารภขานอกนาน้่คือประโยชน์ในปัจจุบัน น, นี่สัมปรายิกาธรรมประโยชน์คือประโยชน์ในพรุน้าอันนี้คือประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยที่ทําทำนิกฐาประโยชน์ประโยชน์ในพรุน้าที่จะเรียกว่าสัมปรายิกาธรรมประโยชน์หนึ่งต้องมีศรัทธาสองต้องมีศีลสามต้องมีจากครัสี่ต้องมีปัญญาดีแล้วนะถ้าเราจะพูดแบบทั่วไปให้เรามองทั่วไปโดยที่เราไม่ได้ พูดคุยหรืออะไเนี่ยบางทีเราไม่จำยากกันมันรู้แต่พูดอะไรพูดแล้วาหายเงียบไปแต่ถ้าเรายกหลังมาพูดเราก็จำได้สัมปรายะก็ถาประโยชน์คือประโยชน์ในภพหน้าเราทํายังไงถึงจะมีประโยชน์โส่งให้คนส่งเราไปถึงภพหน้าไม่ใช่เราจะมีชีวิตอยู่เฉพาะภพนี้ชีวิตนี้เราตายเราตายแล้วจิตของเรายังไม่ตายจิตของเราจะต้องไปหาชีวิตใหม่ ต้องไปได้ชีวิตใหม่การไปได้ชีวิตใหม่ดีถ้าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเราอาจจะตกต่าทุกอย่างลำบากทีจจะเป็นมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นตรกอาจเป็นไปเป็นเปรตไปเป็นอัสุรกายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีศรัทธามีศีลแล้วก็มีจาคึกแล้วก็มีปัญญาสระภารกษามีความเชื่อความเชื่อจะต้องประกอบไปด้วยเหต ต้อง ป, ประกอบเพื่อไผลไม่ใชนเชื่อแบบรวมๆแล้วแอ่เชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีปัญญาเข้าไปวินิจฉัยใครควรก็โดนเขาต้องส่วนเขาหลอกไปง่ายเพราะฉะนั้นท่านยิ้บอกว่าการที่มันจะเชื่ออะไรจะต้องมีปัญญาไขขั้วพิจารณาพิจารณาเข้าหลักของเหตุของผลเลยก็ยังต้องพุทธศาสนาเราพยายามเอาความเข้าใจยัง ทำความรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วก็มาพิพิจารณาไข้ครัวให้เกิดความเรื่องใสเกิดความศรัทธาเมื่อเกิดความเรื่องใสเกิดความศรัทธาแล้วก็น้อมมาเป็นที่พึ้นเป็นที่ระลึกที่จะเรียกว่าเป็นไตรสถานของเป็นไตรสถานของเข้าถึงเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พื้นที่ระลึกเอาพระธรรมเจ้าเป็นที่พื้นที่ระลึกเอาพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พื้นที่ระลึก เขาเขาสุล th ับไปสนทรภูมิท่านที่มีท่านมีศรัทธามีศรัทธาศรัทธาที่จะเป็นสะานเชื่อมอย่างพวกเราทั้งหลายที่มาด้วยกันทุกคนทุกคนทุกหัวใจชื่อยูอยู่เดียนี้เรามาได้ด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อด้วยความรู้สึเมื่อเรามีศรัทธาอาศัยศรัทธานี้เป็นสะพานเชื่อมถ้าให้เราข้ามาได้ข้ามาได้ไหมนั่งตรงนี้ได้ มาอยู่บนเส้นทางตรงนี้ไนดะ้ศรัทธาเป็นบรรไดเป็นบรรไดไปสู่สวายท่านบอกศรัทธาเป็นบรรไดไปสู่สวายแต่ต้องหมายถึงศรัทธาที่ประกอบใ้ได้เหตุผลศรัทธาที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเช่นอย่างก็่สอนว่าเอยเ้าไม่มีคุนไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพอเราได้ยินได้ความเราไปเชื่อพอเราเชื่อเราก็ไม่ต้องไม่ต้องสร้างพลังความดีอะไรนั่นแหละยาอะไรก็ทำตามอำนาจของจิตใจ ภายในวัดใจแล้วมันจะยุบแย้งให้เราสร้างมาทำนีเชื่อแบบนี้เขาเรียกว่าเชื่อมแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อมแบบไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วเขาลงมือทำไปตามเอาทิพย์วายทวงไปทั้งหมดเชื่อมไม่มีเหตุเชื่อมไม่มีผลแต่ต้องเป็นจตนาพิจารณาใครครวญผู้ที่เจ้าย่อมสส่ศรัทธาในผู้ที่เจ้าในพระรรมในพระสงฆ์เอามาเป็นที่พึ่งเอามาเป็นที่เรานึกแล้วก็หาข้อปฏิบัติมาจำกัด เรปฏิบัติเพื่ะได้รับความสุขความสันติอาศัยศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเราสามารถให้ทานได้เมื่อมีศรัทธาแล้วเราสามารถรักษาศีลได้เมื่อมีศรัทธาแล้วเราสามารถนั่งสมาธิได้เมื่อมีศรัทธาแล้วเราสามารถเจอปัญญาได้เมื่อมีศรัทธาแล้วสามารถทำให้เรานี อุตสาพยายามขยันหมั่นเพียรทุกแจก้งลำบากด้วยคำหนึ่งคำมันจะผลที่เรากระทำได้อาศัยศรัทธานี่ยศรัทธาตั้งมั่นแล้วอะย่อมย่อมประโยชน์ให้ให้ให้เจริญร่ำรวยร่ำนาขึ้นมาได้จากศรัทามาเป็นศีลเริ่มแลตอนนี้เริ่มมาปรับปรุงข้อปฏิบัติของตัวเองแล้วเนื่องจากว่าเรามีศรัทธา ก็ต้องเริ่มมาปรับปรุงข้อปฏิบัติทุกตัวเองา็มอ ม, มีสิทธิ์กักษาสิทที่เราเป็นคาราวาสกักษสินห้าไวสุดโหเยี่ยมแค่สิทิห้าไวสที่เยี่ยมอย่างนั้นลนะเราจับไม่ได้รับความทุกความเดือดจากความริด ข, ของเราเองปานาคือข้าจ่ายเราเป็นค้าเพราะถ้าเราข้าจ่ายมันก็เป็นเยีนยมเป็นไท เราฆ่าสัตว์นี่ยเรยว่าไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยนะฆ่าสัตว์ในดิฉันเป็นเวนเป็นภัยยิ่ขฆ่ามันรู้เลแล้วนะยิ่งเป็นเวนเป็นภัยในอัตตามีเนี่ยต้องถูกคดีอาญาจองถูกเขาจับเขาไปจองให้จำดีไม่ดีไปประหารชีวิตให้ตายตามกันไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของของโทษของโทษของโลกที่เรามีเราเป็น นี้เรื่มงโทษรองกรรมที่เราจะต้องรับต้องแบกต้องขังมันจะต้องรับไปบางทีก็ตามทาในอัจภาพนี้ในชีวิตนี้บางทีก็ตามทํำในัตามทําในอัตรภานี้ต่อไปคือเราฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าเราซึ่งมันมันมันเกิดเหตุเป็นผลที่จะต้องมาทำให้ได้รับความทุกความทรมานทางด้านจิตใจเนี่ยการดิ้นดิ้นให้ให้ให้ให ให้เอาสี่นงนี้เป็นมาเป็นข้อกำกับรักษากายให้วันสุดรักษาวันใจวันสุดก็ทำความศึกษาด้วยใจของเรามีสติมีปัญญารักษาสิ้าไม่พลาดสักไม่รับทรัพย์ไม่รัรบของเขาแล้วก็ผู้ผิดในกลาวพู้ผิดในกาล ก, ก, ก็คือผู้ผิดโลกผิดเมืองเขาจะยังม่จอย่างมีงมคว่ครองแล้ว ก็เอาตัวของเราเนี่ยซึ่งเป็นสุภาพของภรรยาเนี่ยไปบำรุงบำรุคนอื่น เ, เรามีสามีแล้วเนี่ยแต่เราเอาตัวของเราไปบำรุงบำรุคนอื่นแบบนี้มันถือว่าพระพุทธทิฏฐิกรมอันนี้ไม่ต้องลองนยลองก็ได้ผลทันทีแหละลองได้ผลทันทีอในเร็ววัยวในวันวันว น, นี่แหละท่าน อ, อง ไฟกองไฟนำความทุกข์นำความเดือร eh. ้อนมาสุ่ครอบครัวทั้งเราทั้งเขาทั้งลูทั้งเต้าทั้งคนในครอบครัวเดือนร้อนต้องหมดถ้าเรารักษาแล้วเราได้รับความคุ้มครองจากการที่เรารักษาสิ่งนี้เราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับสิ่งนี้การพูดเท็จเราเหมือนกันเขาไปเรียนให้เราเสียหายอย่างไรอย่างหนึ่งตามมาแล้วก็กินเหล้า ขอสุดท้ายเสียทรัพย์เกิดโรค<ม>เสียทัพย์แน่เน่ยเล่าเนี่ยเขาบางทีหมอบริวัตรให้เรากินเนี่ยวันนี้เขาเรี้ยาเราวันหนึงเราก็ต้องเลเขา<ม>เสียทรัพเลาติดขึ้นมาแล้วเนี่ยปนจนหมดอ่ะทางานทำขันได้เท่าไหร่กินเราก่อนไม่กินเราไม่ได้เพราะอะไรเขาเปนกิน ร่างกายมันติดแต่ก็หอมอยู่จิตใจอ่น อ, อนแอทนรองเราต็ร่างกายนนะก็ต้องซื้อมามาให้มันก็ดดิเพราะฉะนั้นเรามีสินหาา้าเดีว 8, ก็มีความสุขสินแปะก็มีความสุขเข้ามาอีกไปข้ามาเกมาปราบมาปฏิปทาม า, าละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสินขอพระของเงินสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็ดก็ละเอียด คือการเรียนที่ไปโดยลำดับการ <c oughs> ทายก็มีผลดีและสงทั้งในในอัตภาพนี้และในอัตภาพต่ อ, ตอไปเพราเป็นเรื่องของเว็เพราะเป็นเรื่องของก น, นเมื่อเราทําความดีคนดีก็จะต้องต า, งามสนองในอัตภาพนี้และตางสงมส่งในอัตภาพต่ อ, ตอไปที่เรามารักษาศิลมารักษาศีลขึ้น เป็นการหัเปล่าละเอียเข้าไปอามาวางรักษากายรักษาวาจาบรรจัยให้ดีละเอียดพอดีขึ้นไปสรทาสินจาคัดยาคัดยาคัดนี้ส่วนหนึ่งเป็นทานอีกส่วนหนึ่งเป็นการเสียสลักเสียสละกอารมณ์ที่เราให้เกิดทําให้เราเกิดความโล่เกิดความโกรธเกิดความห ล, ลง ทำไมจ่าทักจากทักเรียว่าเสียสลัดจ่าทักกับทานี่เหมือนกันส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นส่วนต่างกันทำไมจ่าทักมันเอามาใช้ได้ทั้งส่วนวัตถุภายนอกใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ภายในใจที่ท่านเรียกว่าเสียสลัดอารมณ์เป็นที่กำนัลเสียเสียสลัดอารมณ์เป็นที่หัดเคือง เดีว่าให้เสียสละบไ่เสียสลับคือเห็นโทษของความกาหนดกำหนดในการราคาเนี่ยกำหนดในการในความต้องการวัตถุที่เรามีความต้องการเราก็เสียสลับถ้าเป็นเป็นไปเพื่อให้เกิดทุกเกิดโทษแาบนั้นแบบนี้ก็ให้เสียสลับเสียสลับยาก่าเรียว่าเสียสลับเราพูดกันได้คือเสียสลับที่เรียนมันเกิดเสียสลับความโล่เสียสลับความโกร เสียละความหลงเสียสละแต่ถ้าเป็นเรื่องของทานของทานก็คือวัตถุทานมัตถุทานธรรมทานอภัยทานเนี่อยอภัยทานกับจาระฆานเข้ากันได้อภัยทานของของทานธรรมทานกับจาระานส่วนหนึ่งเข้ากันได้คืออภัยทานเนี่ยสามารถ ให้ให้ให้ให้อภัยไม่ถือโทษไม่โกรธเขาบอกไม่ถือโทษไม่โกรธก็แสดง ว, ว่าเป็นคนที่รู้ถึงสาเหตุตน้นตอที่จะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธที่จะเป็นเหตุให้เกิดความอที่จะเป็นเหตุให้เกิดเกิดเรื่องโน้มราบใหญ่โตวุ่นวายก็เลยตายไม่ถือโทษตัดออกไปเลยไม่เอามานห้ไม่เอามาคิดไม่เอามาปรุงให้เกิดความวุ่นวาย ที่เรียว่อภัยทานให้ความให้ให้ความใ ห, ให้ความอภัยแต่ถ้าถ้าเราไม่อาภัยยังไงเมื่อเขาด่าเราอ่ะเราไม่อภัยเราก็ต้องด่าเขาตอบหรือเขาพุทธศาเราถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็าาาต้องพุทุศาสนามาตอเขาหาเรื่องแกล้งเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็หาเรื่องการแกล้งเขาตอเนี่ยเรว่าไม่อภัย ที่การให้อภัยมันเป็นการสลับกิเลสไปตัวมันเข้ากันได้กับจาติครับญาติก็คือความเสียชราที่เหาทำนยู่ญาตครับแต่ข้อที่สีคือปัญญาปัญญานี่จะต้องสอบแทกปัญญาจะต้องเป็นหัวนําเป็นหัวนําวิถีวะมั้งเปัญญาถ้าเป็นปรถไปยาวๆก็คือหัวนําอะไรหัวรากอะไร ปัญญาปัญญาเป็นตัวนําทั้งหมดนำกิริยาอาการความประพฤติตางกายทัตามาจทางจิตทั้งหมดต้องใช้ปัญญาเป็นตัวนํ ำ, นำาาเรพราะฉะนั้นศรัทธาศีลจารคัตปัญญาจึงเป็นเหตุให้เราสมประสงค์ที่จะเรียกว่าสัมปรายาถัพยประโยชน์คือประโยชน์ในภพน้าในเมื่อเราทำประโยชน์สมมูรณ์แล้วนีานเราก็ให้ที่เรารักษาจารคัต การเสียสละทีแล้วก็เสียสละการกิริสตัญญาก็ทำลายความรุ่นของทาลายกิเลสเป็นชั้นเป็นภูมิไปก็เป็นให้เราประสบประสบที่เรียกว่าประสบไปสู่สุคติเพราะนั่นแหละสำหรับนิพพาประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ในภพหน้านี่กล่าหมายถึงว่าเรายังมีภพยังมีชาติอยู่ทีนี้มันยังมีประโยชน์กันนั่ที่เรียกว่าประมัตประโยชน์ประมาทถประโยชน์ อันนี้ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งในที่นี้ท่านหมายถึงมรรคผลนิพพานอีกประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งมรรคผลนิพพานเราต้องมาเริ่มเลยศีลด้วสมาธิด้วยปัญญาก็มันยังที่เราทํากรรมฐานนี่แหละเรากรรมฐานทำกรรมฐา น, น, รรฐานถ้าถ้าเราหวังหวังผลจากการที่เรามาชำระจริตของเราให้บอยสุดเนี่ยโดยทำเนี่ย เรามู่งมั่นกับสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังนีเราจะเห็นว่าการรักษาสิ่งนี้เป็นของไม่หรือบาปอะไรเป็นของที่ง่ายสำหรับเรางนั้นเถอะท่านบอกข้อนั้นข้อนี้ขอเล็กข้อใหญ่อาบัติหนักาบัติเบาอาัตอะไรเนี่ยเราอินดีเราพอใจที่จะทํำไดทำตามได้ทั้งนั้นเนื่องจะว่าประโยชน์ที่เราต้องการเราต้องการกินที่มีสูงมากกว่านี้ี การตั้งใจรักษาสิ่งมรดกของเราไปทีนี้ข้อวัดปฏิบัติที่เรามาบำรุงส่งเสริมทําให้ปณิธานของเราเป็นไปด้วยความกล้าื้วยดีนจก็เป็นข อ, ของของที่ไม่มีลำบากมาเนี่ยทาทําได้ด้วยความยินดีด้วยความพอใจด้วยฉันทะด้วยวิรยยิยะด้วยอุตสาหะสามารถทําได้โดยที่แท้จริงเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นทีนี้ ถ้าเรามองย้อนเลยสิ่งไปพูดถึงเรื่องทานพูดถึงเรื่องทานเรารู้อยู่แล้วว่าการให้ทานมีผลนสีส่งการรับสารถมีผลนีส่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นของง่ายเพราะฉะนั้นท่นเมื่อท่านที่ตั้งตั้งใจไปสูงแล้วสิ่งที่ย้อนไปเป็นของที่ตามมองาตามเห็นจะเป็นของที่ง่ายสาหรับท่านมไม่ถึงเป็นเรื่องยาก อันนี้เราก็มาเที่ยวนั้นพวกเราอยู่ไปเข า, าทุกยา่กนานลำบากใจได้เราไม่ได้ถึงสี่งนั้นเป็นประมาณเราไม่ไถึงสิ่งนั้นพู็ประมาณเหมัอนอยากที่เราฟังให้หลงตาเมา่อตอนเขาคั่งหลงตาแล้พูดถึงหลงหลงถูกมั่นท่นเลยท่านท่านพูดอท่านค้าท่านพูดท่านพูดแย่ท่านพูดยังไ ง, งให้ให้ลูกสิษฟังแล้ว เป็นอย่างถ้ <weakest S 1> <ร> า, าเรามารามเราไปอยู่ที่นนอยู่ที่นี่ไปอที่ไหนอาหารไม่ค่อดีผิวโตไม่ค่อยเยอะอาหารไม่ค่อยมากอะไร อ, อาการไม่ดีนั้นไม่ดีนั้นพูดแย่เป็นการพูดมุกพูดแยมด่มือเขาเขาเรียกว่าตีตีหัวมาทุบกล้ารก็ได้กับพูดของอาาขนั้นาปลกตีหัวมาทุบกระไรได้เพื่อให้เป็นผลสะท้อนมาที่พวกเราอีนั้นอากาศดีทีนันอาการกดีาารด Likewise. ตรงไหน ขาดเส้นหน่อยโอ้อาการดีแล้วยอมเปิดละไปถูงไหอ่ะดีน่อยโอ้อากาศดีทุกที่อากาศดีอยู่ได้แต่ผู้ที่ท่านตั้งใจลงไปท่า่คิดจริงท่านไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ท่านคำนึงถึงว่าที่ไหนอยู่สดสบายอืมอากาศถูกกับใจนิสัยไม่ทุกข์ไม่ทื่อปอดโทงไม่มึไม่มไม่ปวดวต้อนอืมท่านอยู่ท่าอย่างสะดกสบายอาหารพอเป็นพอไป ทุกอย่าลงลำบากในการไปแสวงหาโดยปีนแคบมาท่านอยู่ได้ท่านสู้ได้จะขอให้ที่นั้นเป็นสถานที่ส บ, บ า, บายๆทำทุกอย่างลำบากท่านไม่ไดครับหนึ่งเป็นเป็นเป็นนั้นประจัญการมองถึงเรื่องปัญญาสีสมาธิปัญญาจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ต้องสอบแทรกไปทุกอย่าง ศัทธาสินจาคัพปัญญาคือสิ่งที่เราให้สํารับที่ประทับประโยชน์และปรมาถาประโยชน์ห ร, รืทานตะล่อมสมาธิสินสินตะล่อมสมาธิที่สมาธิที่ปัญญาปรมาถาประโยชน์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสินกับสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยที่มันเรียกว่าใจสิศขาดใจทิศขาดที่สุดจะต้องศึกษาทิศขาดสามอย่างสินสมาธิปัญญาศินก็เป็นธรรอย่างหนึ่ง เพราะ ว, ว่าศีลแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เรามรัดให้เราเป็นเป็นการปิดช่องที่กิเลเสจะแทรกเข้ามาเป็นการปิดช่องที่กิเลเสจะแทรกเข้ามาเช่เ น, น, นอย่างปรายชิ้นสีเนี่ยท่านท่านเนี่ยปลายชิ้นสีเสดเมทุน รับของเขารา้คามาส่งข้ามนรุทธให้ตาปวดอุตริมุสปวดปริมุสธรรแต่ละอยา่อยางแต่ละยถ้าเราทำไปแล้วถ้าเราทําไปแล้วก็ขาดขาดหนอ่อขาดเ น, น, นื้อขาดกล้าขาดเน่าก็เรียกว่าขาดกล้าขาดเน่าของความเป็นมรุญแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเป็นลามเป็นต้นพื่ที่จะได้ให้เกิดหนอกเกิดผลมันเกิดไม่ได้ในเมื่อเราไปทําลายหนอ่อ ไปทำลายหน่อเนื้อรากเน่าของมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปฏิบัติกับศีลสิ่งที่เป็นปฏิบัติกับสมาธิกับปัญญาเช่นอย่างประราชิษเศรษฐีทุนต้องประราชิษถ้าใครเสกก็คือข่าดจากความเป็นพระเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าหลวกสุภาพอนาวศเสศไม่มีสัมมาคารมุนอนาวศเสศ อ่า ม, มีไม่มีสาบัติบองปลาชิตเป็นผู้แพ้แพ้ทนอยู่ในภาวะของป่วยไม่ได้หมดสภา พ, พเขายกว่าหมดสภาพเอาไั้แต่ปลาชิตนปลาชิ้นเป็นผู้แพ้แพ้แพ้กลับไปแล้วนคือทำลายหน่อของตัวเองเลยทํำลายรากเง่าของตัวเองพยายามพิสูจ ร, รับข อ, ของเขาให้ได้ราคามาะสม อบรประชิดอันนี้เป็นศีลนแต่ว่ามันไปทําลายเกี่ยวกับเครื่องธรรม ท, ทั้งหมดเพราะฉะนั้นศีลแต่ละข้อแต่ละข้อมันเกี่ยวข้องกับธรรมทั้งด้านหนึ่งเกี่ยวข้องกับธรรมในเมื่อเรามีจิตที่จะรักของเขารักผ้ามาส่งได้รักหนึ่บาทได้สองบาทมาล้าได้ทิบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทมาล้างได้ในเมื่อมีจิตคิดจะรัาสลรคมันสามารถทําได้เพราะฉะนั้น เมื่อเราทำลงไปแล้วด้วยเปีจตนาแค่นี้เละเป็นการทํายหน่อเนื้อเชื้อเชื้อชาติเพราะเพาะความเป็นเป็นผู้ที่ต้องการต้องการนป็นนำสูงสุดเพราะฉะนั้นท่านที่ว่าโอ้แพร่หมดสภาพคนนั้นหมดสภาพหมดสภาพอ่าปวดริมสุดาหปวดริมสุดทางมันคือใช้ปากพูดก็ของเขา อุดริงสุดทั้งคืออ้วนคำว่าอัวนก็คือของไม่มีในตนอ้วนแถ้าเราจะเทียบกับสินข้อห้านะสีนห้าก็คือข้อสีนั่นแหละพูดมุสานัเลยแต่ถ้าตั้งใจพูดพูดโกหกพูดเทเ็จอันต้องปรบาบปรามอีกข้อหนึ่งปรบาบปติอีกข้อหนึ่งแต่ด้วยการแอบอ้างเอาคุณธรรมสูงๆเปนอย่างเจะของไม่มีฉันไม่มีสมาบายัยข้ออวนตั้งไวจะ อันนี้สมาบัติจเจ้าของไม่มีมากไม่มีผลแต่ก็อวดต้าไว้เของ ม, มีมากมีผลจเจ้าของไม่เป็นพระคัอนอวดต้าไว้ของไมเป็นพระคันนี่เขาเรียกว่าอว น, อ, ว น, อ, วนอุตริมุสุธรรมเมื่อทําลงไปแล้วมันทํามันเท่ากับว่ามันทำํำลายหน่อเนื้อเชื้อชาติร้องความอที่จะให้ได้คุณธรรมต่างๆนั้นจึงท่านจิงกลาวยเป็นคนแพ้เป็นผู้่พยแพ้ป ร, ราจิตป ร, ราจิตหมดสภาพ ขบัหมดสภาพเพาะคืนมันแช่อะไรไม่ได้เลยอนะ่าไม่แช่อะไรไม่ได้นะอ่าต้องอกจมูกต้องเป็นผู้ภายแพ้ออกไปอยู่ภูมิได้สึกรู้ไม่สึกก็หมดจากความเป็นพระมไม่มีเศษอนว่าเศษแตกไม่มีส่วนเหลื อ, อมไม่มีส่วนแล้วไม่มีเศษเหลื อ, นอในความเป็นพระ นี่คือเรื่องพระุทธเจ้าท่านทรงมันจัดสินเพราะฉะนั้นสีนแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าเราตั้งใจถ้าเรามองเห็นว่าการได้อัดได้ทำเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องง่ายข้อไหนยากลำบากขนาไหนต่างเรายินดีพอใจระคับประการรักษาอยู่ได้พวกเราเพี่ยวร้องกับเรื่องสินโดยเฉพาอยางเล่เราสินมากๆก็ต้องมาต้องรวจตรวจการพระพุทธเจ้าท่านก็วางเอาไว้ต้องมา ต place, ้องมาตำรวจการทุกกลุนเดือนที่การสวนปฏิโมกข์การวดปฏิโมกเป็นการมาตำรวจตุ๊กสิงห์มั่งเปล่งเนียสิน227สินที่มาในก็ปฏิโมกข์227จากนั้นแล้วสินที่มานอกปฏิโมกอีกทัานกระเป๋าตัวจ่าจบ้างอมาทุ๊กกฎบ้างให้เรามาตำรวจให้ว้อใจเรื่องเรื่องสินถ้าเราตั้งใหญ่เอาไว้สูงแล้วก็ให้ทานเป็นเรื่องง่า้ จะไปเสีย ด, ด, ดายอะไรกับกับกับสิ่งที่เราเราไดววา้เราสวยมาเราเราเอาเราเอาพระเวชนอรอนมาเทียบกันแล้วคนทานได้ทานรับเพราะมีเพราะเพราเป็นราชทา ย, ยาที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองกรุงศรีพีต่อจากพระอิมพดา ด้วยเดียดที่เขาไปขอช้างรรมก็เลยพระราชทานให้ช้างขอพระราชทานพระราชช้างไปชาวบ้านไม่พอใจไปฟ้องพระเจ้ากรุงศรีพีอ่าบรจชนเลกต้องการให้ข่าวออกถือว่าเป็นการเอาทรัพย์ของบ้านของเมืองเนี่ยไปมาิจาา แท่งกิงช้างท่านให้ไปเพื่อเขาเอาไปเพื่อให้เกิดสิริมงคลเกิดฟ้าฝนตกอันนี้ก็ไปให้ท่านออกจากพระนครท่าออกจากพราคนครไปท่านเสียสละเสียสละราชะสมบัติออกจากพระนครไปไปกับ ช, ชาลีปัญหากรรมสีที่ได้ก็ น, นั่งรงไปพอไปได้เส้นทางเข้ามาขออีกตีต้องเดินไปเดินไปเดินไปนไปอยู่อาสม อ่าชูช่อไปขอรูปอีกก็ให้อีกมาทั้งสองแบบจะมีปัญหาต่อมาทักอินแปลงรางข อ, ขอมัฟซีขอเบียคือรักก็บริจาคไปแล้วช้างปัจจัยนาคก็บริจาคไปแล้วตาชรุษายต่างๆเราบริจาคไปแล้วเมียก็บริจาคลูกบริจาคไแล้วเมียก็บริจาคไปแล้ว จะมีความสำคัญอะไรเจ้าพ่กับลูกกับเมียกับนาดกับอะไรแม้แต่ดวงดาของทรงเนีย่ยลงไว้จัดไปแล้วมากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเขาเขามีคําพูดทึงเทียบ อ, อ, อยู่แล้วก็สีสันพระเสียรที่ประดับประนานด้วยเคื่องอลังการเนี้ยอ่าบริจาคไปแล้วถ้ามองก็ใหญ่กว่าเขาสุภสุวินเนี่ยนั่นคือคือความ สิ่งที่ปรารถนามันยิ่งใหญ่กว่ากรรมฐานอันตราะนะเราเราถ้าเราเทียบไปแล้วเนี่ยศีลกับธรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกันไปอยู่ย่นี้เรื่อยๆเพราฉะนั้นการรักษาศีลที่จะาทรงบัญญัติศีลกคือปิดความชั่วแต่มข้อมาข้ อ, ขอให้เราทามันยับยั้งไวอันนี้เป็นข้อบัญญัติเพื่อที่จะเข้ามาเห็นธรรมอย่างแท้จริงได้พวเราได้ยินได้งแวแบบเอาแลอะอ ที่ถ้าทําให้กระทำประโยชน์ของเรานั้นเมื่อเรามีความเป็นไปเราเกี่ยวข้องเพราะเรามียังอัตภาพอยู่เราต้องมีความเกี่ยวข้องเหมือนอย่างเราเป็นเราอยู่ยนะฮะต้องขอบต้องฉันต้องอะไรนี่และสำรไรทีจะถ่ายประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าเราก็ต้องทอําำนะครับต้องมีศีลต้องมีศรัทธาศีลศรัทธาศรัทธาศีลจางขปัญญ า, เร า, นะราเราก็ทำนะครับประโยชน์ยิ่งเราทํา สุดแล้วเราอยู่ท่ามกลงประโยชน์ทั้งสามประโยชน์ในพภกนี้ประโยชน์ในภพหน้ปนนานประโยชน์อย่างยิ่งคือพระมิพากผู้เราตั้งใจจะออาทีนี้เราก็ต้องศึกษาเพื่อให้ดีได้ฟังและประสบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตั้งใจปฏิบัติทําอะไรจะได้สมาธิทําอะไรทํางานจะได้ปัญญา เขาเลงเข้ามาเลยคล้ายๆว่าเนื้อาาามาเราเลงเป้าไว้สูงแล้วเนี่ยเป็นเรื่ว่าเราจะต้องขี่ไปเพื่อให้ถึงเป้านั้นเพราะฉะนั้นเราอย่างที่คูใบอาจารย์ท่านว่าเราไปดังเดียดมันมันเข้ากันไม่ได้เราไม่สร้างเหตุใหเียดพอแล้วเราไปที่เราหาผลผลไม่ยอมปรากฏไปเรื่องรธรรมดาพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเอามาเป็นข้อขอุปมา แล้วตังรงกติข น, นขอยพระองค์ตังต้งใจทาประโยชน์อประโยชน์ในปัจจุบันแบบชาวบ้านประโยชน์ในปัจจุบันแบบพระพวกเราก็ทราบมีขอมีเกณฑ์ประโยชน์ในพรุ่นี้ก็คือว่าเป็นการสร้างไปพร้อมๆกันกับประโยชน์อันยิงน่งคือประมาทประโยชน์ ทั้นี้เพื่อเพื่อเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้คืออุดมขติดอุดมขติสูงสุดของพวกเราคือลำปวดก็คือวัรคผลิพานเราตั้งเอาไว้เราก็เดินเข้าไปเราตั้งเอาไว้แล้เราก็เดินลงไปไม่ใช่ตั้งอาไว้เฉยแล้วเดินไปเราไม่เดินไปก็คือไม่ถึงเราเดินไป ถ้าเราคลางไปมันก็ย right. ังใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรือลุกขึ้นมาแล้ก็เดินไปเดินไปมานเร็วกว่าลางเดินไปเือยเดินไปเรื่อยเราวิ่งเยอะๆเหมือนอย่างเขาวิ่งเขาไม่บอกําลังทายมันก็เร็วกว่าเดินไปถ้าเราต้องการให้ถึงอย่งเร็วเราต้องวิ่งเอาอย่างสุดทีเลยเราฟังนี่เป็นข้ออระมาแล้วเราเอามาเทียบดูที่ตัวเรา และเราก็ยังปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้เป็นแาบนั้นพเพื่เป็นลูกเป้าหมายตามวันถุประสมตามอารมณติของเราแต่ละองค์แต่วะท่านเอาแล้วนะพอสมควรแล้วันนี้